ดูก่อนพิสูุทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปสัสสีโพธิสัตว์เนยทรงลำริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตันหาจึงมีทำไมจึงต้องเพลิดเพลินยึดถือขนาดนั้นเหมนกันตันหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูนทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนามีอยู่ตันหาจึงมีตันหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก ระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะพระองค์นทรงกระทาไว้ในพระทัยโดยอุบายอันเยียบคายก็แปลว่าพอพระองค์โยนิสมนสิการคร้ครวนตามเป็นจริงเข้าปัญญาปัญญาที่ตรัสรู้เห็นความจริงว่าเออเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพรา ะ, ะนั้นตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ดูก่อนพิสษุทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดําริดว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอเวทนาจึงมีเวทนาเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูุทั้งหลายครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะมีอยู่เวทนาจึงมีนะเวทนาเนี่ยมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนะความ ตรัสรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะมีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ผู้ทรงกระทําไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเย็บคายหมายคือว่าพระองค์เนี่ยใส่ใจอย่างเย็บคายก็เกิดปัญญาเห็นว่าผัสสะมีอยู่จึงมีเวทนาเวทนามีเพระผัสสะเป็นปัจจัยดูความพิสูจน์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ได้ดําริอีกว่าอะเมื่ออะไรมีอยู่หนอะผัสสะจึงมีผัสสะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย พระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ทรงทำไว้ในพระทัยโดยอุบายอันเย็บข่ายก็เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาว่าเมื่อสลายตนะมีอยู่ภาษะจึงมีภาษะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยต่อจากนั้นเนี่ยนะพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดำเนินต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสลายตนะจึงมี สลายตนะมีเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูก่อนพิสูุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ทรงทำไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคลายคือโยนิโสมนัิการก็เกิดปัญญาตรัสรู้ว่าเมื่อนามรูปมีอยู่สลายตนะจึงมีสลายตนะมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตถ์ก็ดํมฤตต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ดูการพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะทรงโยนิโสมณสิกาเคือเรียกว่าทำไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บขายก็เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาว่าวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนะที่มีนามมีรูปเนี่ยนะเป็นเป็นมหาภูตรูปสมีภาษะเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะก็เกิดจากปฏิสนธิวิญญาณกรรมวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะ ดูควาพิสษุทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปสัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ดำเร ว, ว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่อะเมื่อวิญญาณมีอยู่ขออภัเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงมีวิญญาณเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีถ้าไม่มีนามมีรูปวิญญาณจะมีได้ไหมถ้าอาศัยจักขู่กับรูปจักขูวิญญาณจึงมีอาศัยหูกับเสียงภาษะ เป็นต้นเนี่ยนะโสตะวิญญาณจึงมีอาศัยจมูกและกลิ่นภาษาเวทนานี่แหละจึงมีขานะวิญญาณอาศัยลิ้นและรสภาษาเวทนานั่นแหละจึงเกิดเชียวหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธพภะมีภาษามีเวทนานั่นแหละจึงมีกายยะวิญญาณอาศัยมีผวังเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยมโนธรรมอารมณ์ทั้งหลายมีภาษามโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นพราะนามรูปนี่แหละมีอยู่วิญญาณจึงมี เพราะฉะนั้นวิญญาณมีนี่แหลมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยดูการพิสูจนทั้งหลายพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ใส่ใจไว้ในโดยอุบายอันแยบคายก็มีการตรัสรู้ด้วยปัญญาดังที่กล่าวไปดูกอรพิสูจน์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดํำริ ว, ว่าวิญญาณนี้ย่อมกลับเวียนมาแต่นามรูปหาเป็นอย่างอื่นไม่ปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะการอย่างลงแห่งนามรูป เมื่อมีนามรูปอย่างลงปฏิสนธิวิญญาณจึงเกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปจึงอย่างลงอั้นวิญญาณก็เป็นปัจจัยไปเรื่อยนามและรูปก็เป็นปัจจัยอย่างเรื่อยเรื่อนทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นโดยความเป็นไปเพียงเท่านี้เทระว่าวัตตะที่เป็นไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าสัตว์โลกเกิดขึ้นบ้างเนี่ยการเกิดขึ้นก็เนื่องจากอะไร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 เชื่อมไปยอย่างนี้แหละเรียกว่าเกิดแก่ตายจุติอุบัติไหลเวียนไปอย่างนี้ความเป็นไปแห่งวิญญาณนี่แหละมีนามรูปเป็นปนัจจัยนามรูปเป็นปนัจจัยจึงมีวิญญาณมันก็คือสรว่าวิญนนามรูปเป็นปัจจัยให้มนะีวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปนัจจัยจึงมีภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมี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 ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร ว, วิญญาณความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์คือตาหูจมูกเลนกายใจย่อมมีอย่างนี้ด้วยประการชน้ดูการพิสูจน์ทั้งหลายจักรสุยานปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างเนี่ยนะได้เกิดขึ้นว่าสมูทัยสมูทัยการเกิดหรือเหตุให้เกิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่พระองค์มิได้สดับมาแล้วในการก่อนเล ย, ยนนะก็คือไม่มีใครสอนเลยนทะ่านสาวเป็นเหตุเป็นผลแต่แต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะชารามรณะก็ไม่เที่ยงชาติที่เป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะก็ไม่เที่ยงอนชรามรณะไม่เที่ยงชาติที่เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงปัจจัยแห่งชาติคือพบก็ไม่เที่ยง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 เพราะถึงไม่กล่าวก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าชาติก็คืออะไรก็คือปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นนั่นแหละเพราะนั้นคำว่าอาวิชาก็ถ้าพูดตันหาที่ไหนก็เท่ากับพูดอวิชาแล้วถ้าตันหาอุปาทานก็เท่ากับพูดอวิชาแล้วกรรมมาพบตัวนั้นก็คือสังขารและสังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะนั้นอวิชานี่นะกับสังขา น, นี่เป็นอดีตแต่พบวิปัสสนาไม่ต่อกับอวิชาและสังขารเหล่านั้นก็คือ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 อดีตชาติพิจารณามามากแล้วด้วยปุเพนิวาสานุสติยานกัมมูปะคฆาญที่พิจารณาหล า, หลายอย่างเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้พระวันเน้นการวิจัยเพื่อถ่ายถอนเพื่อตัดฉันทราคะเนี่ยนะเพื่อตัดฉันทราคะในหน้า137บอกว่าจาักษุปัญญาวิชาแสงสว่างนั้นเกิดขึ้นแล้วจักษุเกิดขึ้นจักษุนี่เขามีความคําว่าปัญญาจาักษุก็คือเป็นชื่อของปัญญานั่นแหละเนี่ยนะ ปัญญาที่จักษุมีความหมายว่าเห็นญาณนี่มีความหมายว่าทำให้รู้ปัญญามีอัตว่ารู้แทรู้ทั่ววิชาแปลว่ารู้แจ้งแทงตลอดนี่เกิดขึ้นอาโลกะก็คือแสงสว่างอย่างที่กอย่างที่นปฏิสัมพิธามักกล่าวว่าจักษุมีความหมายว่าเห็นญาณมีความหมายว่ารู้แล้วปัญญารู้ทั่ววิชาเรียกว่าแทงตลอดอาโลกะก็คือแสงสว่าง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 สั่งปัดใจก็ไม่เที่ยงผลของปัจจัยก็ไม่เที่ยงแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงการไข้ครวญถึงเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงแต่ทำทั้งหลายไหลไปตามกระแสแห่งเหตุแต่เหตุและผลแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าตรุนวิปัสนาเป็นแนวทางที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการตรัสรู้เพราะฉะนั้นมักวิปัสนาของท่านก็เกิดขึ้นนะวิปัสนาของท่านก็เกิดการพิจารณาเนี่ยนะปัญญาที่